ภูตธรรมะก็ม่มีอะไรอื่นปูตกองเก่าที่เรียกตัว เ, เก่าเหมือนกัรเราทานอาหารทานสวรรคเก่าถ่ายออกวรรคเก่าเจ็ดปะจําเป็นสองฐานเพระชีวิตนี้อยู่ธรรมะก็ทํานองเดียวกันในใจพูดภูตธรรมะจะหาธรรมะที่ไหนมาพูดธรรมะที่นี้อยู่ กับพวกเราท่านพูดสูกันฟังเอกจิตอรมใจส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยได้พิจารณาธรรมะงกระแจิตทตึงไปต่งตเรื่อหนอกๆนอพอพูดธรรมะยิ่งไม่ค่อยเข้าใจกันพกเพราะไม่เคยพิจารณามา ก, ก็อนั้นคนที่มาเรียนนังซื้อเอาหนังสือมให้อ่านมันก็อ่านไม่ออก ท, ทั้งๆสี่านังสมีอยู่แต่คนที่รู้คนที่ศึกษามาพอเห็นจับเขาา้ า, มมาก็อ่านได้เรื่องธรรมะประธรรมนองเดียวกัน ท, ทั้งๆที่มีอยู่กับกายกับจิตแต่ไม่ได้คิด ม, มันเป็นธรรมะที่จะนามาชาระกายใจของตัว <c oughs> ก็เลยหาธรรมะไม่มีเป็นคนอดคนจนจนสติเป็นปัญญา ยังธรรมะที่จะสอนตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ถึงพินิษที่จแกนะทุกวันทุกเวลาในอดิห์หาสูตรท่านพูดถึงความแก่ความเจ็บ ค, ความตายความาพ่ายภาคจากของรักของชอบใจ นี่เป็นธรรมะอยู่ทุกคนควรคิดที่นี้ที่เจนาสำลางใจถ้าเราไม่ที่เจนาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเมื่อแก่มาก็เสีย อ, อกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายอุบายทีท่ีต่างๆที่จะปรับปรุงร่างกายข้องตัวมาให้แก่แต่ถึงจะแก่ไขขนาดไหนฮะอะไรมารักษา เรื่องความแฉะเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมมันก็แฉะใช้ในไดน้ถึงได้กวนิดนิดในดหน่อยความแกะมันมีอยู่อย่างนั้ น, <c oughs> ตนแต่แฉะไหนแฉะไรแต่เรายังไม่เกิดมาพวกกิจันเกิดมาก่อนทาอน่านคนนี้ความแฉะเหมือนกันกับเราเราตายไปคนจะเกิดมาใหม่ เ, เกิดมาแล้วก็จะต้องแชรต่อไปเหมือนกันกันกบปัจจุบันนี่คือเรื่องความแช่ที่เราควรที่ในพี่เจอนาควรศึกษาหาความรู้เอาไว้ จ, จะไม่เสียใจอย่างนั้นอย่างนี้แช่มันแช่ไปที่ไหนละ่ะแช่ไปหาความเจ็บความตายแช่ไปหาเตาไฟ <c oughs> มันไม่ได้แชไปที่อื่น เมื่อเราพิจารณาความแฉะไปจาจิตอยู่สม่ำเสมอไปใจมันก็ไม่ค่อยกำเริบเสิกสารไปในทางผิดเพราะเห็นว่าความแฉนี้ไม่มียุกยาที่ไหนจะรักษาให้หายเกิดมาจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาทุกทุนน่ะเขาอย่างไรเราอย่างนั้นเราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่ว่าปัจจุบันหรืออดีต ความเป็นอยู่อย่างนี้มันมีเป็นปกติของผู้เกิดเมื่อเกิดแล้วจะต้องมีแก่แก่เป็นที่ในปรารถนาของคนทั่วไปแต่แก่เบื่อตึงแก่ติดบังอัมพางตาเป็นที่ชอบเป็นที่ปรารถนาของสัตว์ เ, เด็กแก่ เป็นมาทุกวันทุกเวลาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้สึกว่าชอบอกพอใจนี่ก็ความแก่เหมือนกันแกเรียว่าแกปกปติเราไม่ได้คิดว่าเขาแกเขาเริญเติบโตจึงชอบจึงพอใจพอ ม, มาถึงที่มันจะแกไปทางหน้าเรื่อยๆไปเมื่อมันถึงหนุ่มถึงสาวจนที่แล้วก็แกไปในทาง ทน่ไชอบใจเป็นแ่เปิดเผยเช่นผมจี่เคยโดดดำเป็นงองงามกองหงอกขอาวเขาตาที่เคยสว่างของใสตัวมือกัวมัวเข้าหูกัวหนวกกัวเติงเขาหอหนังกัวเหี่ยวแหงย่นหยู่เข้านี่คือความแฉที่เปิดเผยคนทั่วไปเขาเห็นเขาก็รู้จัก ว่าเป็นคนแฉเรียกคนแฉเดียกพ่อเรียกแม่เรียกตาเรียกยายไปนี่คือความแฉที่เปิดเผยที่มนุษย์ทั่วไปไม่ชอบไม่ยินดีในความแจประเภทนี้แต่คนนี้ในพ้นถ้าเราไม่ตายไปก่อนตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะต้องประสบพบเห็นความแจประเภทนี้ด้วยกันทุกทุนน้ำเมื่อเราพิจารณาความแฉอย่างนั้น พิจารณามาถึงตัวของเราหรือพิจเจนาถึงรูปที่เราไปไข่จีบติดข้องว่ามันสวยมันงามพิจารณาเรื่องความแก่อยู่บ่อยๆรูปที่เรายึดว่ามันสวยสดงดงามนะดูหน่อชมอย่างนั้นอย่างนี้เราเกิดราคาดตัณหาถ้าเราพิจารณาเหลื่องความแก่ พ่อแม่ของเขาปู่ย่าตาทวดของเขาแต่ก่อนก็เหมือนกันกับคนคนนี้เ่ออายุยังไม่มากยังไม่แก่จัดมันก็ยังน่าดูน่าชมไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีการแต่งงานกันนีใครสิตปราชญนาแต่คนนี้นานปีไปมันก็จะเป็นอย่างเดียวกันกับพ่อแม่หรือปู่ย่าตาทวดของมัน รูปอันนี้เจึงหมควที่จะยึดจะถือว่าเป็นของกีรังอย่างยืนเพราะปกติมันบงบอกอยู่แล้วพ่อแม่เป็นเสื่องผ่านมาก่อนว่าพ่อแม่มันแย่อย่างไรลูกที่เกิดมาหลานเหลนที่เกิดมาตามหลังก็เป็นไปทํานองเดียวกันนี่คือการที่เจนาแก่ไขจิตใจจิดบุญคิดติดข้อง ในรูปว่ามันสวยมันงามเพื่ยึดในรูปว่ามันมันคงถาวรอารังอย่างเยืนต่างๆเพื่อจะแก้ใจของตัวให้หายจากความติดของมัวเมาในรูปนั้นนั้นความเจ็บทุกคนที่เกิดมาว่าจะต้องประสบพบเห็นด้วยกันทุกทวนน่าเรียนแต่จะหนักหรือเบาวกว่ากันเท่านั้น เคยไปสบพบมาเรื่องความเจ็บคนที่พูดอยู่ก็เคยโดนมานับไม่ได้เหมือนกันเจ็บหนักหนักจนจนจะตายก็เคยพบเคยเห็นแล้วคนอื่นที่นั่งประชุมกันอยู่นี้ก็คงจะโดนกันมาเหมือนกันจะหนักเบาแค่ไหนก็แล้วแต่ที่เคยโดนมาต้องโดนมาไม่ว่า ใครทางนั้นความเี็บนี้เราจะมีสมบัติพรสถานเสาของเงินทองพวกของผ่อนฝูงมากขนาดไหนก็เฉพาะตัวของเราไม่มีใครส่จะช่วยเอาความเจ็ดในตัวของเราแบ่งเบาไปได้เป็นหน้าที่ของตัวจะต้องอดต้องทนต้องสู้เป็นของเฉพาะจริงจริงจังจง เขาของเงินทองจะมากม า, กายกายกองขนาดไหนจะจ้างให้เขาเอาความเจ็บออกไปจากตัวของตัวเอาไปไม่ได้เพราะวั้ววั่นฟูงบริษัทบริวารมีขนาดไหนก็เหมือนกันมเมื่อเจ็บมาแล้วความสุขความสบายมันไม่มีถ้าครูไม่มีทำไม่มีความสุขความสบายเอาเลยบ้านจะใหญ่โตแล้วหัวฐานที่หนังขี่นอนจะอ่อนนุ่มสะดวกสบายขนาดไหน มันก็ไม่สบายให้เพราะอกภัยความเจ็บปวดมันเบียเดเบียนความเจ็บมันเป็นของมีประจถาดขันทุกท่านทุกคนไม่ว่านักบวชหรือคารวามันมีความเจ็บเป็นธรรมดาจะลวงพ้นความเจ็บไปที่ไหนไปไมนได้เกิดมามีชีวิตจะต้องมีความเจ็บไข้ เบียดเียนเป็นธรรมดามีเรื่องความเจ็บก่เลดปัญหาความชอบคิดติดข้องในสิ่งต่างๆมาเมื่อเจ็บหนักมารูปที่เรารักแล้วชอบใจเราไขว่จิตมันไม่มีอะไรที่จะทำใจให้เถิดเพลินให้มัวเมาไปได้เจ็บหนักเท่าไรก็ เป็นหน้าขี่ของเราจะต้องต่อสู้ล้วจะไปยินดีเพลเพลินห่างยาไปหยุดไปถือเรื่ยมความเจ็บรูปนันมันสวยมันงามหน้าจุดหน้ากวดเดิจิตไปอร์งแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกทางใจความเจ็บบีบบังคับมันจึงไม่มีความสุขความสบายอะไรให้เรื่องความเจ็บความไข้ทุกคนเคยประสบพบมา แล้วกว่าหีกเพียงไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดใครจะมีธรรมหรือไม่มีธรรมกาตามใครจะมีสมบัติเขะเป๋าเงินทองหรือจะอดยากยากจนกว่าตามความเจ็บนี้มีประจำสัดทั่วโลกให้เราหมั่นที่นี้ที่จรนะิญศึกษาเมื่อเวลาความเจ็บไข้เกิดขึ้นมาจ <c oughs> ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอย่างไรเพราะความเจ็บนี้เราได้คิดเอาไว้ได้ที่เจริญเอาไว้ มีทางไหนที่จะหลีกเลี่ยงไปได้เราก่อสรโลกคนหนึ่งเราจะต้องเจ็บไข้ได้ทุกเหมือนกันกับเขาให้พิเกนามีธรรมะในจิตในใจเอาไว้เมื่อเจ็บหนักเขา้ารักษาโดยหยุบยาไม่หายมันก็ต้องตายถึงรักษาหายวันนี้วันหน้าเดือนหน้าปีหน้ามันก็มีขึ้นมาอีก เรื่องความเจ็บผลที่สุดก็ไปสู่ความตายความตายนี้ไม่ว่าสัตประเทศไหนเกิดมาแล้วจะต้องตายไปด้วยกันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงความตายได้ไดเกิดมาต้องตายไม่มียานานไหนไม่มีพาหาณนะชนิดใดที่จะบรรทุกคนหนีจากความตายไปได้ ยากว่ารักษาให้หายแต่รักษาหายคนก็ไม่ตายกันมีอา ย, ยุเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่มีเงินที่จะซื้อยามารักษา ห, หายแกตายมันมีแต่มันมีมยาหายให้ ม, มียารักษาให้หายจะเป็นแพทย์เป็นหมอดีเด่นขนาดไหน มันก็ไปสู่จุดหมายตายทางอันเดียวกันคือความตายความตายจึงเป็นภัยอันตรายใหญ่หลวงสำหรับสรรโลกไม่อยากตายทุกไลายไปหายากที่สุดคนที่อยากตายกินยาตายผูกคอตายหายากคนที่ไม่อยากตายมากที่สุดถึงก็าตายไปแล้วไปฝังไปเผาในป่าช้าหรือ <c oughs> เตาเผา ต่างๆถ้าเราปลุกเสกเขาขึ้นมาได้คุณอยากตายหรือหรือคุณไม่อยากตายไปถามเขาเขาอาจจะตอบเป็นคำเดียวกันไม่อยากตายแต่มันเหลือวิสัยทนไม่ได้ถึงการถึงเวลาขนต้องตายไปมีเป็นเมื่องความตายคนที่ใหนมีอาจมีธรรมในจิตในใจ ไม่มีใครปาถนาเรื่องความตายเพราะถือว่าเป็นอันตรายสําคัญเป็นภัยสําคัญไม่มีใครชอบใจเรื่องความตายแต่ผู้มีอาจมีทำรรศึกษาธรรมะพิจารณาธรรมะปฏิบัติธรรมะรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจไม่ว่าแฉะว่าเจ็บว่าตายท่านเห็นเป็นธรรมดา ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นศัตรูเป็นอันตรายเป็นของที่มีประจํามาแต่ไหนแต่ไรเรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมาแล้วหรือตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้มันหนีตรงไหนไม่มีใครที่จะมีอำนาจวัฒนาจะห้ามกัน้นไม่ให้มันเป็นไปอย่างนั้นได้มันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันธรรมซาบ ในสิ่งเหล่านั้นแล้วปฏิบัติจิตใจค้องตัวละชั่วบําเพ็ญดีจนถึงที่เข้าใจตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันไม่ใช่มันมาให้ทุกข์ให้โทษอะไรแก่เราเราหลงไหลเรายึดถือต่างหาจึงเกิดทุกข์เกิ ด, ทกกดโทษในจิตในใจแล้วเมื่อ เราแก่เราเจ็บล้วตายไปอย่างนี้มีอะไรเสียหายสำหรับเราเราต้องการอะไรเมื่ออยู่ไปมืน่นปีแสนทีเราต้องการอะไรอีกทราบในจิตในใจถ้าหากประพฤติรมประพฤติยังไงปฏิบัติใจให้เป็นอัตเต็นธรรมแล้วมีคุณค่าเสมอกันมีชีวิตอยู่หรือตายไปไม่มีอะไรที่จะเสียหาย ลายสี่ประกอบโดยถาดสี่ก็ทราบดีว่าถาดทั้งสี่มันไม่ได้ตายไปที่ไห น, นมีแต่สมมุติต่างหากที่ตายไปเขว่าตายไปเจอดินมันก็ไปเป็นดินตามถาดเดิมของมันน้ำลมไฟก็เหมือนกันมันไม่ได้ตายไม่ได้สิบหายไปที่ไหนจิตผู้ชิงเหล่านี้มันสิบหายอีกไหมท่านทราบ <c oughs> ภายในเรื่องของท่าน ท่านจึงไม่มีความกังวลหุ่นวายไม่มีชีเลตันหามารบกวนเพราะใจของท่านทราบดีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไปอะไรที่จะได้สึ้นอีกพอดเพราะจิตไดละสิ่งที่ควรละมาจนตลอดเวลาจนหมดจดจนไม่มีอะไรที่จะละอีสิ่งที่บำเพ็ญเดี๋ยวบำเพ็ญมาจนเต็มหน้าที่ ไม่มีอะไรที่จะบำเพ็ญให้ดีขึ้นไปอีกปัจจุบันเป็นอย่างไรบริสุทธ์ท่องใสไม่มีอะไรที่จะมาโยกข้ออยู่ไปแสนปีคงมีอะไรที่จะดีขึ้นตายแต่วันนี้คงมีอะไรที่จะเสียหายเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไม่มีการเสียดายเพราะชีวิตอันนี้เกิดมาก็เพื่อจะสะสมคุณงามความดีเพือ่อจะทำหน้าที่ของตัวให้บริสุทธ เมื่อบริลุสุดแล้วจึงไม่มีความหมายอะไรในการเกิดแก่เจ็บตายของท่านท่านจึงอยู่เป็นสุขท่านจึงอยู่สบายเพราะท่านเห็นประจักษ์ในจิตในใจสิ่งที่มันสลายไปนั้นก็เป็นหน้าที่ของมันสิ่งที่เหลืออยู่เราก็ทราบแล้วจะมีอะไรถ้าหากเรามีความต้องการว่าถ้าชีวิต ยังมีอยู่ต่อไปจะได้สะสมคุณงามความดีตามหน้าที่ของเราจริงได้จริงเราต้องการอยากจะทําก็จะได้ทําต่อไปเพราะเรายังไม่ถึงจุดหมายปายทางเราก็อยากใช่ยืนยงคงอยู่ก็จะได้สั่งคุณงามความดีทวีคูณขึ้นเมื่อท่านปฏิบัติความดีถึงที่ท่านจึงไม่มีปัญหาเหมือนพวกเราธรร ม, มาดานี่คือเรื่อง ความเกิดความเจ็บความเจ็บความตายถ้านเห็นพี่จะไปจำทุกวันทุกเวลาตายแล้วเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาของใจที่พวกเราท่านควรไข ค, คิดติดตามเพื่อแก้ความสงสัยหลงไหลมัวเมาของตัวตายไปแล้วพา้าท่าจากของรักของชอบใจถ่วงไปบุตรธิดาภรรยาสามี เข่าของเงินทองบ้านช่องทุกอย่างเราจะต้องจากไปจากของรักของชอบใจส่วนนี้ไปเขาจะตามไปส่งได้จนถึงป่าช้าถึงเตาเผ่าเขาไปไปกับเราถ้าปวกขื่นผูงทีลรักันขนาดไหนเมื่อเราตายไปก็จะตายไปด้วยในขณะที่เราตายนั้นเขาไปยอมตาย เราจะต้องพาพาจากเข้าไปลูกหลานเข่าข้องสามีภรรยาบ้านช่องก็เป็นของคนอื่นไปเขาจะไปมีภรรยาใหม่สามีใหม่เราก็จะมีอำนาจบาดชนาที่จะมาฟ้องร้องกับเขาไม่ก็เอาสามีใหม่ภรรยาใหม่เข่าข้องที่เราหามาได้ก็อยากจะใจไป แบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาอีกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องร้องเอากระเปาของของเราไปได้แต่เราก็ล้ไหลเพราะไม่ได้คิดว่าจะจากสิ่งเหล่านี้ไปใจเลยของเลยจิดเลยยึดเลยถืออย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวี่วุ่นวายโรคของกายกาเริบโรคของใจคือยิ่เดือดร้หากก เมื่อผมเข้าไปใจก็เลยเมื่อ บ, บอดไม่มีทางที่จะสว่างสาวัยไม่มีทางที่จะสุขจะสงบได้นีคือใจคือในไข่คิดในอัดในทำเข้าใจว่าอันนั้นของกูอันนี้ของกูยึดเอาไว้ถือเอาไว้ไม่ได้ไข่คิดตามธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าสอนเราลงไหลฝ่ายฝันกันอย่างนั้นจึงเป็นทุกข์ เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าทราบดีเราก็มีสิทมืนมีชีวิตอยู่เราจะใช้สอยอะไรแล้วก็ใช้สอยได้เราก็มีสิทที่จะแสวงหามาบำรุงรักษาตัวของเราไม่ใช่ว่าทราบแล้วไม่ทําอะไรงอเมืองงอเท้ามัเป็นอย่างนั้นทราบแล้วก็ขยันมันเพียนหาแต่ไม่ให้ของเหล่านั้นมาทับผมจิตใจ จนหลงไหลฝ่ายสันติข้องมีหมายถึงผู้ที่มีอัตมีธรรมในจิตในใจที่เป็นฝ่ายฆราวาสฝ่ายบรรพชิตท่านก็รักษาบริขารของท่านที่เขาถวายมาได้มาไม่ใช่ว่าสราบดีแล้วจะเผาทิ่งดินทิ่งไม่เต็นอย่างนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก่อนใสอยมันไปเมือชีวิตหาใหม่ก่อไปตามเรื่อง ถ้าเราพินี้รี่เยนาธรรมะของพระพุทธเ จ, จ้าอย่างที่ว่าอยู่บ่อยๆความหลงไหลจิดข้องของใจก็ค่อยจะเบาไปบางไปสบายไปเพราะทราบหน้าพิ่ของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงข่าวถึงสมัยมันเป็นไปจริงจังเราก็แหม่่ลุ่มหลงเพราะของอันนี้มันเป็นของ อันนี้จังอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเราไม่จากมันมันก็จากเราไม่ใช่ว่าคนเกิดมาสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างได้มาแล้วจะมีกรรมสิทธิ์อยู่เสมอไปมีกรรมสิทธิ์แต่เดยวเวลามีลมหายใจเป็นอยู่ท่านั้นเมื่อหมดลมหายใจแล้วเขาจะเอาไปเผาไปทิ้งร่างกายก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ห้องเห็น กยงยอมให้เขาเผาพราะเราม่มีสิทธิ์ที่จะไปคู่ไปด่าไปว่าไปกล่าวกับเขาหมดสิทธ์ร่างกายของเราให้เขาเผาเาขาฝังได้สวมบาดภายนอกมันก่อทานองเดียวกันเราไป ม, มีสิทธิ์ที่จะไปเยด็ดไปถือไปหามไปห่วงเอาไว้ให้ทราบในจิตในใจตามเป็นจริงจิตใจจะเย็น จะสุขจะสบายเมื่อมันเกิดวิบัติภัยอันตรายขึ้นมาเรื่องเหล่านี้เราเคยได้ทราบวงหน้าหน้าที่ของมันเป็นไปอย่างไรเห็นประจับในใจอยู่แล้วมันเลยไม่เป็นทุกข์เป็นโทษให้มันเลยสุขใจนี่หมายถึงการที่แจนาเรื่องธรรมะแกไขใจของตัวแล้วสิ่งที่เป็นของของตอนนั้น ในอภินาสูตรที่ท่านพูดเอาไว้มีความเจ็ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจากผ้าจากของรักของเจริญใจทุกสิ่งทุกอย่างไปต่อไปก่อามีกรรมเป็นของของตนกรรมมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเรื่องของกรรมที่เราทำโดยกายก็ดีโดยวาจาก็าดี ด้วยใจก็ดีมีท่านถือว่าเป็นของท้องตนนักปาวชราชบัณฑิตท่านพูดกรรมที่เราทำไปอ่ะจะเป็นกรรมชั่วกว่าตามกรรมดีกว่าตามเป็นของท้องตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลลาเวนหลีกเลี่ยงไม่ได้จะปล่อยปะละลเลยไม่ได้กรรมที่เราสั่งเอาไว้ทําเอาไว้ไม่ต้องการปราถนา กรรมนั้นกวรจะให้ผลเสีตนตลอดเวลากรรมมันก็มีกรรมดีกรรมชั่วอยู่ในโลกเราทําด้วยความจงใจด้วยเจตนาก็ดีทําด้วยความประมาทระหล่อเถือสติก็ดีกรรมทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นของ้องตัวกรรมชั่ว ที่เราไม่ปรารถนาแต่เราทำที่ไม่ปรารถนากรรมชั่วเขาก็ตามให้ผลกรรมดีที่เราปรารถนายากได้แต่เราไม่ลงมือทำกรรมดีก็ไม่ให้ผลแก่ตัวของเราสนั้นกรรมที่มีคือกรรมดีกรรมชั่วเราต้องพิจารณาศึกษาก่อนจะ ทำลงไปจะพูดออกไปจะคิดอะไรให้ศึกษาว่าสิ่งที่เราทำเราพูดเราคิดนี้มันมีผลดีหรือผลชั่วอย่างไรถ้าเป็นทางชั่วทางตำทางเสียถึงเราจะอยากจะทำสิ่งนั้นก็ห้ามกั้นเอาไว้พอเราทำไปกรรมส่วนนี้จะตามให้ผลแต่ตนของตนให้ไปจาก ในจิตในใจให้สะอาบในจิตในใจของตนอย่างนั้นจิตใจเห็ินไปจกักว่ายใจน้จักกรรมไปไม่ได้ทําไปไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วกรรมนั้นจะติดตามตัวไปเหมือนเงาจะขึ้นเขาลงน้ำเงาจะต้องตามไปตลอดเรื่องกรรมที่เราทํากรรับทำนองเดียวกันแตอยู่ในที่รับที่แก้งก็ตามแต่เราทําลงไปแล้วกรรมนั้น จะติดตามเราไปเหมือนหมาไหลเนื้อทานเมื่อไรมันก็จะกัดเมื่อนั้นเราจรึงควรละเว้นกรรมชั่วไม่ควรทำควรพูดควรคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วพอทำไปแล้วมันจะให้ผลต้นในกาธานะก่อตามแต่มันก็ให้ผลแก่ตนของตน ไม่มีคนอื่นเขาจะมาแย่งชิงออกไปได้ทําลงไปแบบไหนกรรมนั้นจะจิตในใจของเราเรื่อยไปถึงจะทําหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทำท่าหลงลืมก็ตามแต่กรรมนั้นมันไม่ลืมมันจะผิดอกออกผลให้วันใดวันหนึ่งแต่บางคนไม่เคยทําสักทีเกิดมากรรมเสวช้าลามก ทำไมเราจรึงเหลือทุกข์รับโทษอย่างนี้มีเขามาขา่ามาจีมาเบียดมาเบียนเห่เคยรักโกเคืองของเขากรรมเก่าแต่ก่อนที่เราทําเรามองไม่เห็นถ้าเราไม่มีกรรมเก่ามาสนับสนุนให้มันจะไม่เป็นไปอย่างนั้นถ้ากรรมดีรักษาเราจะไม่โดนเขาข่าเขาจี้เขาตดนเขาจี้อย่างนั้นนี่เราเคยทําเข้ามา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 คือกลัวบาปไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดจะทำจะพูดจะคิดไปในทางชั่วทางเสียเลื่องภ า, าษาพระภาษาวัตรเรว่าบาปกลัวในจิตในใจเกงลงยบาปกลัวบาปและอายบาปไม่อยากจะทำเพราะทำไปแล้วมันจะให้ผลเสียตนทองตนเลิกละทำชั่วประกอบทำดี ในมีขึ้นในตัวเมื่อเรา่ิจารณาอย่างนี้เชื่อเรื่องข้องกรรมถึงใจแล้วเราจะเลือกคาดจัดหาทำกรรมดีให้เกิดมีแต่กายบายใจใจฟ้องตัวถ้าเราไม่คิดพิจารณาอย่างนี้เราก็ยนงมีทางหลีกเลี่ยงอยากทําอะไรก็ ท, าทาําไปตามอาเภอใจในข่าววดีชวดอย่างไรจะให้ผลจนสุกเป็นทุกข์ ไม่ได้คำนวณคำนวณขอใจให้มันชอบมันอยากทำทำไปมันเป็นไปทำเรานั้นท่านจึงสอนให้เชื่อเรื่องของกรรมแต่เรามีกรรมเป็นของขอตนมีกรรมเป็นเื่อให้ผลทุกทุกจะเกิดขึ้นก็อาศัยผลของกรรมไม่ใช่ว่าคนทุกคนในากาธนาดี ตาธนาดีกันทุกคนแต่ทําไมจึงอยากจนอดอยากลําบากลําคานโรกภครไข้เจ็บดเบียดเบียนเขาเขาอยากจนโรกภัยไข้เจ็บไหมเขาอยากอดอยากอยากจนไหมไม่มีใครไปถามเขาก็เข า, าจะต้องตอบว่าอยากแต่หมั่นมีชีวิตสุขอยากจะหาจะโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นแต่เหตุอะไรยัยเล่าเขาจึงจนอย่างนั้น เพก็ะาเก่าที่เาสะสมเอาไว้ให้ผลเขาได้ทนทุ